คอลัมน์ธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่7ถามเราบังคับความฝันก่อนตายไม่ได้จริงหรือตอบเวลาฝันคนเราฝันก็คิดได้บ้างเหมือนกันแต่มันห้ามความอยากความยึดความยินดียินร้ายตลอดจนกิเลสต่างๆไม่ได้เสมอไปหรอกครับเว้นแต่เราจะดูจิตจนชำนาญจริงๆเวลาเกิดกิเลสแรง มันจะย้อนดูโดยอัตโนมัติแม้ขณะกำลังฝันแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมไปถึงจุดหนึ่งเราจะไม่ฝันร้ายอีกเลยความฝันจะเหมือนความคิดที่ผุดขึ้นจางๆเป็นระยะสั้นๆเท่านั้นและเคยได้ยินว่าถ้าปฏิบัติได้เต็มที่แล้วจะไม่ฝันอีกเลยสันตินัน2ีมิถุนายนพุทธศักราช2 5 4พนา ลลาพาจไม่รัถามพระธรรมวินัยของจริงหาได้จากที่ไหนตอบฟังใครก็ต้องฟังหูไว้หูตราดใดที่ยังไม่ได้ทดสอบจนเห็นจริงด้วยตนเองหรือถ้าอ่านตำราไม่ว่าจะตำราอะไรถ้าไม่ใช่พระไตรปิฎกในส่วนที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นพระพุทธวจนะ หรือคำของพระอาหารหันตสาวกก็ต้องวางใจให้เป็นกลางๆไว้ก่อนหลักที่ผมใช้อยู่ก็ไม่ยุ่งยากอะไรคือเราต้องตีกรอบไว้ก่อนว่าเราจะศึกษาเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ของจิตเท่านั้นใครสอนออกนอกกรอบเนี้ยก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วและการจะศึกษาเรื่องทุกข์และการดับทุกข์นั้นก็ต้องทราบว่าทุกปรากฏอยู่ที่ไหนซึ่งก็หนีไม่พ้นไปจาก กายกับจิตนี้เองถ้าใครสอนออกจากกายกับจิตนี้ก็ต้องระวังไว้สำหรับวิธีปฏิบัติเพื่อพ้นทุก์นั้นถ้าผิดจากการรู้ทุกขละสมุทยัยก็ต้องระวังไว้และผลของการปฏิบัติถ้าเรารู้ทุกด้วยใจที่เป็นกลางและพ้นจากทุก์ได้จริงหรือเห็นว่าถ้าไม่เป็นกลางเกิดความอยากความยึดจิตก็เป็นทุกต่อหน้าต่อตานี่เอง อย่างเนี้ยก็พอเชื่อได้แต่ถ้าผิดจากนี้ก็ต้องระวังอีกดังนั้นแทนที่จะตรวจสอบที่อื่นย้อนมาตรวจสอบจิตใจตนเองดีกว่าครับว่าปฏิบัติแล้วเห็นผลในทางลดกิเลสตัณหามานะลดอัตตาได้เพียงใดส่วนตำราและอาจารย์นั้นเพียงรับฟังไว้ได้แต่ถ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วกิเลสตัณหามานะอัตตายังรุนแรงเหมือนเดิมหรือบางคน อัตราแรงกว่าเดิมหรือแรงกว่าคนปกติอีกอันนี้ก็ต้องพิจารณาเหมือนกันและเอาเข้าจริงกระทั่งคนที่เรียนตำราเล่มเดียวกันหรือมีอาจารย์คนเดียวกันพอลงมือปฏิบัติจริงก็ยังทําต่างๆกันมีความเชื่อแปลกแปลกกันออกไปก็มีเยอะแยะครับสรุปแล้วสิ่งแรกที่ผมถือเป็นมาตรฐานที่สุดคือพระไตรปิฎกในใจผมชอบพระสูตรนะครับ เพราะแน่นอนว่าส่วนใดเป็นพระพุทธวจนะส่วนใดเป็นคำสอนของพระมหาสาวกทั้งหลายรองลงมาก็คือการวัดใจตนเองซึ่งก็คือหลักตรวจสอบที่พระพุทธเจ้าประทานให้คือดูว่ากิเลสตัณหามานะพวกเนี้ลดลงหรือไม่สันตินันสามิมิถุนายนพุทธศักราช2542 ความมไรมนถามขอเทคนิคดีๆในการทำจิตให้เป็นกลางครับตอบจิตนั้นทีแรกมันก็เป็นกลางอยู่แล้วครับแต่พอมันไปรู้อารมณ์เข้ามันเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมามันจึงเสียความเป็นกลางไปดังนั้นถ้ามันสังเกตจิตใจตนเองไว้ มันเกิดความยินดีก็รู้ทันมันเกิดความยินร้ายก็รู้มันจิตมันจะกลับมาเป็นกลางเองครับไม่ต้องไปพยายามทําให้มันเป็นกลางหรอกครับสันตินันหรือพระปราโมทปราโมโชในปัจจุบันบทความจากธรรมะใกล้ตัวอ่านโดยอนุสรนตรีโสภา ได้เรียนลองไตรตรองนานชารู้จำผ้ายี่ยงผู้ใดเป็นนายเองปัญญาจึงกล้ากล้าท่วงทันสัจจานั้นเลิดยิ่งซา